ฐานเนติปกรณ์ต่อจากครั้งที่แล้วนะมาขึ้นปัญญาติหาระต่อจากครั้งที่แล้วในข้อสี่สิบเอ็ดหน้าเจสิบห้านี่เป็นการยกข้อความมาจากรรมาจากกับประวัตนาสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่เป็นปฐมเทศนานพระมหากรจายนะท่านก็ยกมาว มาให้เราเห็นว่าเนื้อความเหล่านี้นี่เป็นสัจจะอะไรอะไรเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นเทสนาบัญญัติเป็นนิเคตะบัญญัติเป็นสัจฉิกริยาบัญญัติอย่างไรเป็นต้นคือเอามาบัญญัติให้ดูว่าในแต่ละแหง่งแต่ละแห่งไม่มีความหมายว่าอย่างไรในข้อสี่บอ็ดยกข้อความพุทธพจน์มาจากธรรมาจากกับประวัตนาสูตรว่าภิกษุทั้งหลาย ปัญญาจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณคือความรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาที่เกิดขึ้นแทงตลอดนี้เกิดขึ้นแล้ววิชาความรู้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่านี้ทุกขสัจจะนี้เป็นสมุทัยสัจจะนี้เป็นทุกขนิโรธสัจจะ นี่เป็นมัคคสัจจะ น, นะนก็พูดง่ายๆว่าจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวานิทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามิมีปฏิปทาซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสกับพระปัญจวัคคีทั้งห้าในวันวันอะไรวันอาสาละหะใช่ไหม วันก่อนก่อนวันเข้าพรรษา ว, วันหนึ่งน่เป็นเป็นการประกาศที่พระองค์ได้ปฏิญาณตนว่าพระองค์นั้นเป็นท่สัมมาสัมพุทธเจ้าข้อปฏิบัติที่สําคัญที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็คือเจริญพระองค์ให้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐินะพูดถึงในมรรคมีองค์แปดนิยกปัญญาขึ้นมาเป็นประธานเป็นหัวหน้าก่อนนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นใน ในองค์มรรคแดเนี่ยนะปัญญาอ น, นั้นเนี่ยเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจสี่ประการเห็นทุกข์เห็นทุกขสัมมุทัยเห็นทุกขานิโรธเห็นทุกขนิโร ธ, โรธคามินีปฏิปทาตรงนี้ท่านยกปัญญามาห้าชื่อใช่ไหมใครที่เคยสวดธรรมจักว่าจักขุจักขุงอุทปาะิยานังอุทปาะิปัญญาอุทปาะิวิชาอุทัปาะิอาโลโกอุทัปาะิเนี่ยนะก็บอกว่าจักขุจักขนี้ก็คือ ปัญญาจักขูนั่นแหละปัญญาจักขูเห็นอะไรปัญญาจักขู่ก็คือเห็นอริยสัจเคยเรียนนะว่าจักขู่เนี่ยโดยศัพมีหลายความหมา ย, ยานะเขาแบ่งออกเป็นสองอย่างคือญาณจักสุกับมังสะจักสุกเรียกว่าตาเนื้อกับตาญาณตาเนื้อกับตาปัญญาเนี่ยนะตาเนื้อมีอยู่สองอย่างคือมังสะจักสุกนี่แบ่งเป็นหนึ่ง ส, สัมภาระจักสุกสองภาษาท่าจักสุก ส่วนญาณจักสุก็แบ่งเป็นหนึ่งหนึ่งปัญญาจักสุกนะสองธรรมมาจักสุกสมสมันตะจักสุกสพุทธจักสุกแล้วก็ทิพจักสุใช่ไหมทิพจักสุอีกอันหนึ่งพวกนี้เป็นชื่อของตาปัญญาทั้งหมดหรือญาณจักสุทั้งหมดอย่างตรงนี้หมายถึงปัญญาจักสุที่ที่เห็นอริยสัจ ถ้าคำว่ารำ ม, มาจากโสนั้นหมายถึงโสดาปฏิมัคสกธาคามิมัคอนาคามิมัคอันนี้ทำ ม, มาจากโสหมายถึงการเห็นอริยสัจมัคสามเบื้องล่างส่วนปัญญาจากโสนั้นคือปัญญาที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะปัญญาจากโสปัญญาที่เห็นอริยสัจนั่นเองส่วนญาณนะญาณังอุทะปาที่เนี่ยนะญาณนี้แปลว่าความรู้เนี่ยนะความรู้ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเห็นอริยสัจ แล้วก็ปัญญาอุท ạ ปาธิคือปัญญาปฏิวิชชเนี่ยนะปัญญาปฏิวิชชาคือปัญญาที่แทงตลอดอริยสัจส่วนวิชาก็คือวิชาก็แปลว่าความรู้นะปัญญาก็ความรู้ญาณก็ความรู้จักสุกก็แปลว่าเห็นในชะ่ไวิชาก็แปลว่าความรู้อีกแสงสว่างก็คือแสงสว่างแห่งปัญญานั้นสับว่าปัญญาตรงนี้ยกมาห้าสับห้าคาด้วยกัน ปัญญาเหล่านี้ก็คือเห็นอริยสัจเท่ากับเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคือตรัสรู้อริยสัจเห็นอริยสัจเพราะพระองค์รู้อริยสัจเห็นอริยสัจนั่นแหละพระองค์จึงปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้มาดูว่าบัญญัติปัญญาติหาระเนี่ยนะยกข้อความในธรรมจากอันนี้แล้วปัญญาวิชาความรู้ที่เห็นอริยสัจเนี่ยบัญญัติเป็นอะไรได้บ้าง บอกว่านี้เป็นเทศนาบัญญัติเป็นเทศนาบัญญัติให้เป็นการแสดงอริยสัจเพราะธรรมจักรกับวัตตนสูตรเนี่เป็นสูตรที่ประกาศอริยสัจ ต, ตรงๆเลยคำสอนนี้เป็นนิเขปะบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทแห่งการตั้งไว้ในเวนยสันดาน แปลเป็นภาษาไทยว่าตั้งไว้ในสันดานของเวนยสัตว์เรียกว่าเวนยสัตว์ทั้งหลายแปลว่าสัตว์ที่สามารถฝึกสอนได้สามารถสัตว์ที่สามารถทำให้ตรัสรู้ได้เรียกว่าเวนยสัตว์พระองค์ก็ประกาศอริยสัจว่าเวนยสัตว์ที่จะตรัสรู้ได้เนี่ยเขาต้องรู้ต้องเห็นอริยสัจนะถ้าสัตว์ที่ไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจไม่เรียกว่าเวนัยสัต์ เวนัยสัตวนี่แปลว่าสัตว์ที่ควรแก่สังวรวินัยสัตว์ที่ควรแก่ปหาณวิไนสัตว์ที่ควรแก่การตรัสรู้เพราะนั้นเข้าตรัสรู้ตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้อริยสัตว์เพราะนั้นธรรมจักนั้นจึงเป็นนิเขปะบัญญัติบัญญัติให้เวนัยสัตว์นั้นอะได้รู้อริยสัตว์ได้เห็นอริยสัตว์ ทีนี้เบื้องต้นที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยต้องอาศัยอะไรก่อนคืออยู่ๆแล้วเห็นอริยสัจเลยทันทีได้ไหมบอกไม่ได้ก่อนที่จะเห็นอริยสัจนี้จะต้องมีโสตะมยะ ป, ปัญญาเนี่ยนะคือโสตะมยะปัญญาเนี่ยได้ยินได้ฟังว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานะ สุตมยะปัญญานี่แหละจึงเป็นปัญญาที่ทําให้รู้ให้เห็นอริยศาสตร์ก่อนในเบื้องต้นแม้กระทั่งในปฏิสัมพินธมรรคไงปฏิสัมพันธมรรคสุตมยะปัญญานี่มีกี่หัวข้อสิบหหัวข้อใหญ่ข้อที่สิบสองสิบสาสิบี่ิบห้าสิบหกเนี่ยนะก็คือความรู้ในอริยศาสตร์ท่านผู้ที่มีปัญญานี่ผู้ที่มีสุตตะมยะปัญญาคนที่ฟังมาก ก็คือฟังอริยสัจมามากก็มีหลายท่านมามาเล่าให้ฟังว่าโยมนี่ฟังทำมาเยอะมากว่างั้นเพราะว่าฟังมาเยอะเนี่ยนะไอ้เยอะนี่แปลว่าฟังมาหลายแห่งมากว่างั้นะอ้เยอะของโยมนี่แปลว่าฟังมาหลายแห่งทีนี้ไม่ใช่ฟังมากแบบในในนี้นะคําว่าในในพระไตรปิฎกคําว่าผู้หูสูดเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือฟังอริยสัจมามากนะ มีสุตตะมยะปัญญาได้ยินได้ฟังอริยสัจมาเยอะมากจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ฟังมากหรือเป็นผู้ที่มีปัญญาที่เกิดจากการฟังไม่ใช่ฟังสเปะสปะฟังไปเรื่อยเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นอาจจะผ่านหูมามากได้ยินเสียงแว่วๆมาเยอะเนี่ยนะแต่ว่าเสียงเหล่านั้นไม่ใช่เสียงธรรมคำว่าเสียงธรรมในที่นี้ต้องนิยามเอาไว้เสมอว่าคำว่าธรร ม, มะคื อ, อถ้าบอกว่าฟังธรรมนะก็คือฟังอริยสัจจะธรรม ฟังอริยสัจจะรมก็คือฟังให้รู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขนิโร ธ, ข, โรธาขามิม่ีปฏิปทาการฟังแล้วสามารถประมวลความจริงเหล่านี้ได้เรียกว่าสุตะมยปัญญาทีนี้ผู้ที่มีสุตะมยปัญญาเนี่ยนะฟังเขาบอกว่าฟังแล้วก็ต้องเห็นอย่างที่ผู้พูดพูดคืออย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงก็เห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดง การที่รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าแสดงนี้เป็นสัจฉิกิริยาบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทการทำให้แจ้งประจักษ์แห่งอนัญญาอนัญญาตัญยสมีติณสีอันนี้เป็นชื่อของโสดาปฏิมัติเพราะในในธรรมจักษกับประวัตินาสูตรเนี่ยพระัญญาพระัญญาโกณทัญยฟังจบบรรลุเป็น พระโสดาบันใช่ไหมเป็นพระโสดาบันที่บอกว่ายังกินจิสมุทะยะทำ ม, มังสัพพันทางนิโรธาทำมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเกิดดับได้ไหมได้ไหมย่อมากเลยให้มันเลือกเกิดเกิดดับ ยังกินจิตสมุทยธรรมมังเนี่ยนะสมุทยธรรมมังเนี่ยแปลว่าสมุทยศัสตร์อะนะยังกินจิตสมุทยธรรมมังอะนะคือขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอุ ป, ปาทานขันห้าเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดโดยสมุทยธรรมมังไงเป็นธรรมที่อาศาัยเหตุนะเกิดขึ้นเป็นธรรมที่มีเหตุเนี่ยทำให้เกิดขึ้นสัพพันธังนโรธรรมมังอะนะ สิ่งนั้นทั้งหมดเนี่ยดับได้ถ้าทําพระนิพพานให้แจ้ง น, นะถ้าแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะขันท่านเนี่ยดับได้จริงเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามานั่งนึกเออนั่งเดาเอาว่าเออเกิดดับเกิดดับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพันไอไ อ, ไอไการที่ว่ารู้เกิดดับก็คือรู้อริยสัจไอคําว่าเกิดนี่หมายถึงสมุทยัยสัจจะคือรู้ทุกสัจกับสมุทยัยสัจคําว่าดับนี่รู้มรรคสัจพร้อมทั้งเออรู้นิโรธสัจจะพร้อมทั้ง มักษัตร์ันคนที่ฟังอริยสัจแล้วเข้าใจอริยสัจถูกต้องบรรลุเป็นพระโสดาบัน น, นะหรือบาลีใช้คำว่าอนัญญาตัญยส า, ามีตินีอินรีที่เป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในการรู้เห็นอริยสัจที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยในสังสารวัฏอันยาวนานคือเวียนว่ายตายเกิดมาพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็คือ อริยสัตว์ท่านอนัญญาตัญยสมีติสีนี่ก็คืออินทรีย์ที่เกิดขึ้นรู้อริยสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดมาในวะะัฏฏะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนะท่านคนที่มีสุตมยะปัญญา ท, ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะต้องฟังแล้วเห็นอริยสัตว์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนจึงจะเรียกว่าคนที่มีสุตมยปัญญาสมบูรณ์นะถ้าฟังแล้วยังไม่เห็นอริยสัตว์ ก็แสดงว่าฟังยังไม่พอนะฟังยังไม่เข้าใจพอจริงๆบางคนก็บอกว่าเอ๊ยโยมก็พูดถูกนะว่าอริยสัจมีสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทำไมไม่บรรลุสักทีล่ะควาว่างันโยมว่าไงถ้าถ้าก็ถามอย่างนี้นะตอบว่าไงเก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคทาไมไม่บรรลุทําไมไม่บรรลุทําไม นนก็คือได้ยินแต่คําว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแต่ไม่เคยเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็บอกว่าคุณเห็นสุขเห็นสุขหรือเห็นทุกข์กันแน่โดยมากนะในชีวิตจริงนะเราเห็นสุขหรือเห็นทุกข์เห็นสุขซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยว่าเห็นว่าทุกข์เขจะมีบางท่านก็บอกว่าท่านเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขสุขะสมุทยัย สุ ข, ขานิโรธสุ ข, ขานิโรธทักษ า, ามิเนปฏิปทาเคยได้ยินไหมใ น, นี้มีแต่ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธมันชีวิตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เห็นแต่สุขหมดเลยนั่นก็สวยนี่ก็งามนั่นก็ดีนี่ก็ไม่เลวเป็นต้นเน่ยนะก็มีแต่ลักษณะเข้าไปชื่นชมตลอดเอ้างั้นก็เข้าไปสาบไปแช่งเลยใช่ไหมนี้เลวนี้ไม่ดีนั่นใช้ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละตกลงให้ทํำยังไง ก็ขอให้เข้าใจตามสภาพที่เป็นจริงอย่างอย่างความเป็นจริงของชีวิตนี่คืออะไรความเป็นจริงของชีวิตก็คือชีวิตที่เป็นไปกับเกิดแก่เจ็บตายไอ้เกิดแก่เจ็บตายเป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวทุกโทมณตและอุปายาตเราได้ยินคาว่า น, นี้ทุกเนี่ยปกติชีวิตจริงๆของเราเราคิดแบบนี้บ่อยไหม อันนะั้นโดยที่สุดคิดง่ายๆว่าวส่องกระจกปับนี้ทุกนี้ชาติชรามรณโาโศกปริเทวทุกโทโมนัสและอุปาญาตนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เป็นอนัตตาเพราะเหตุนี้นะนะร้อยมองเป็นละเอียดลึกซึ้งไปอย่างนั้นเลยไหมบอกไม่นี่ก็สวยนั่นก็งามเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยอีกนานอีกนานจะเห็นอริยสัจถ้าอย่างนั้น แต่ก็ไม่ใช่ไปโทสะอีกนะไม่ใช่เพราะว่ามรรคแปดนี้ไม่มีโทสะอยู่เลยนะแต่ว่ามรรคแนี้มีปัญญานํนหน้ามีปัญญาเป็นหัวหน้ามีปัญญาเป็นประทานเพราะปัญญาต้องเกิดขึ้นทำความเข้าใจในทุกขสัจจะให้ให้เพียงพอจริงๆ จ, จนกว่าจะเห็นว่าทุกนั้นมีลักษณะปีลณะใช่ไหมเบียดเบียนสันตาปะเร่าร้อน สังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นวิปรินามะเป็นสิ่งที่แปรไปเนี่ยนีเป็นสิ่งที่แปรไ ป, เ ป, ป, รไปเป็นสิ่งที่สลายไปเนี่ยนีังนั้นความเข้าใจในทุกความเห็นในทุกขจะต้องเห็นอย่างนี้เป็นเป็นชีวิตจิตใจอย่างแท้จริงเลยนะเป็นความรู้ความเห็นแบบนี้ซึ่งเห็นตามพระพุทธเจ้าจริงๆไม่เทียงพระพุทธเจ้าในใจแม้แต่แม้แต่นิดเดียวยอมรับว่าเออทุกจริงๆนี้ทุก นี้ทุกขสมุทัยแล้วเห็นด้วยว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดให้เกิดทุกข์เนี่ยนะแล้วก็เห็นว่าความดับทุกข์อย่างนี้เนี่ยดับย่อยได้อย่างไรโดยอาศัยข้อปฏิบัติใดเข้าใจตามเห็นตามรู้ตามปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยนั่นแหละจึงเป็นคนที่เห็นอริยสัจแต่ถ้าเนพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจตรัตสรู้ยังไงถ้าอย่างนี้เข้าก็โอ้อีกนานอีกเหมือนกัน แล้วก็การประกาศอริยสัจดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเป็นประวัติปวตนาบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทการกล่าวานะนะก็คือให้รู้ถึงความเป็นไปแห่งธรมนะธรมจักรนะธรรมจักรเป็นการกล่าวถึงความเป็นไปแห่งธรรมจักธรรมะตัวนั้นคือธรรมะก็หมายถึงอริยสัจนะจักกะจักกะก็คือบวกกองล้อนะที่มันหมุนไปใช่ไหม ธรรมจักรก็คือกงล้อแห่งอริยสัจจะธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะให้ให้เป็นไปนะให้เป็นไปแล้วที่ไหนที่ป่าอิสิปัตนามฤุกทายวันแขวงเมืองพาราสีเนี่ยนะอันใครที่ไปพาราสีเนี่ยก็ไปนึกถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเพพระพุทธจ้าประกาศอริยสัจเป็นครั้งแรกคุณหมอไปครั้งที่แล้วนี่คิดอย่างนั้นไหมหมอเขาไปเพิ่งไปอินเดียมา นะถ้าไปที่พารณสีนี่ถ้าไม่ได้ไปนึกถึงธรรมจักรนี่น่าเสียดายมากนะไปถึงอะไรนะไปถึงต้นต่อที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรประกาศอริยสัจนะนะฮะไปก็ไปล้ำลึกถึงอริยสัจแต่ทีนี้ถ้าจะให้ดีจริงเนี่ยต้องเอาความรู้อริยสัจนี้ไปใช้ในทุกหนทุกแห่งทุกที่ความรู้ในอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าปัญญาในพระพุทธศาสนา เพราะว่าปัญญาเป็นชื่อของความรู้ที่รู้ที่เห็นอริยสัจก็อย่างที่เคยกล่าวหลายครั้งไปแล้วว่าถ้าไม่ได้อะไรจริงๆในเกี่ยวกับอริยสัจเนี่ยนะเห็นหน้าใครก็สวดมนต์เช้าเนี่ยนะพระอะไรนะพระพุทธเจ้านั่นอ่ะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อ บรินิพานเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนะเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่ารู้ว่าอะไรจึงได้รู้แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์มันเห็นใครเอาใครไม่เกิดบางอะที่เดินมาเนี่ยที่นั่งอยู่นี่ก็เกิดทั้งนั้นแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์นะแม้ความ ตายะนะความเจ็บความตายะนะถ้าถ้าบางแห่งเนี่ยบอกว่าแม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ทุกเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตทุกปรารถนาประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพราดพลากจากของรักปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันห้าเป็นเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ถ้าเราเอาเรื่องนี้มาคิดจริงๆคิดจนความเห็นอันนี้เป็นความเห็นของเราแล้วนะคิดจนความคิดอันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจของเราจริงๆเลยเห็นหน้าใคร <Graduate> ก็คิดอย่างนี้ได้หมดเ น, น, นี่ยขอมาว่าไม่นานสักเท่าไหร่เขาจะเห็นอริยสัจถ้าเอามาคิดอย่างนี้นะคิดจนเหมือนกับว่าคิดอย่างนี้นนเหมือนใส่แว่นเลยอเหมือนเหมือนใช้แว่นตายกันะใช้แว่นตาจนติดเนี่ยเวลาลืมสายแว่นปั๊บเนี่ยสาแว่นคือธรรมะปั๊บเห็นเลยเนี่ยเห็นนี้ทุก นะก็สาธยายไรยได้ยาวเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่นานสักเท่าไหร่เขาจากเห็นอริยสัจแต่ไม่ใช่วันหนึ่งนะเออทุกทุกมันเป็นยังไงนะออโลกนี้ก็มีสุขอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรื อ, อ, อถ้าอย่างงี้ยาวแนะ่นผู้ที่มีสุตะมยะปัญญาจริงๆเลยสรุปทบทวนนะข้อความที่กล่าวไปทั้งหมดคนที่มีสุตะมยะปัญญาคือคนที่มีความรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรธ นี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาจึงเรียกว่ามีสุตะามยะปัญญาถ้าเพิ่มรายละเอียดลงลึกไปอีกใช่ไหมถ้าเห็นตาก็อะไรอริยสัตนะจักโคจักขคสมุทัยจัคขูนิโรจัคขคนิโรทัคามินีปฏิปทาอันนี้จมอ่าตาใช่ไหมถ้าหูล่ะโสตโสตานิโรธโสตานิ โสตสมาธิโสตนิโรโสตนิโรธค า, ามินีปฏิปทาที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้เป็นรู ป, ปรขันใช่ไหมรูปรูปสมาธยรูปนิโรรูปนิโรธค า, ามินีปฏิปทารูปเหล่านี้เป็นวัตถุและเป็นอารมณ์ของเวทนาก็เวทนาเวทนาสมาธยเวทนานิโรเวทนานิโรธคามินีปฏิปทานนะจะต้องเอาพวกนี้มาคิดให้เยอะๆเนี่ยนะ มาคิดจนความเข้าใจหรือจนเป็นความเห็นของเราไปแล้วว่าเราเห็นตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่แล้วพระเจ้าค่าที่บอกว่าเจมแจ้งคือเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าในโลกที่เป็นจริงในสมัยนี้ไม่ได้เห็นตามนั้นคือคือยอมรับด้วยเหตุผลเฉยๆแต่ไม่ได้คิดจะเห็นตามรู้ตามแบบนั้นจริงๆนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยพุทธกาลก็บอกว่า เขาขอรู้ขอเห็นขอคิดตามขอพิจารณาตามพระพุทธเจ้าเขาเข้าสมาทานแบบนั้นเลยการสมาทานแบบนั้นเ็าเรียกว่าสมาทานศรัทธาสมาทานศรัทธาเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นตามน่นะแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยนะเขามาเชื่อเลยว่าคนที่สมาทานจะสมาทานสมมติได้ยินอริยสัจกันมากันทุกคนะวังนั้นเถอะ แต่สมาทานที่จะเห็นวันนี้ทุกนี้ ช, ชาติทุกชาทุกฉันจะต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนแน่นอนฉันต้องเห็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะจะต้องเห็นอย่างนี้จริงๆเลยนะก็มาเชื่อเลยว่ามีไม่กี่คนที่ตั้งใจแบบนี้จริงๆเนี่ยนะที่ตั้งใจแบบนี้ว่าจะต้องนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยจะต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้เนี่ยนะสักวันหนึ่งเธอน่าจะต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้ ตั้งเป้าไว้จริงๆเลยนะฉันส่งกระจกเมื่อไหรบอกนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยจะต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้ถ้าทําใจได้ขนาดนั้นก็ก็คือแนวโน้มที่เป็นไปเพื่อการเห็นอริยสัจนี่สูงมากนีนะแต่ก็ถ้าวันหนึ่งแทบไม่เคยคิดและไม่เคยตั้งใจจะรู้จะเห็นด้วยก็ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่เคยเพาะเชือ้อเพื่อให้เกิดปัญญาเลยยนะปัญญาความรู้เหล่านี้เนี่ยนะเกิดจากการสมาทานขึ้นนะ เกิดจากการอธิษฐานขึ้นไม่ใช่อยู่ๆแล้วปัญญาเกิดขึ้นผุดรู้ขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าอยู่ๆแล้วพระองค์ตรัสรู้รู้ขึ้นมาเองลอยๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่จากการตรัสรู้แบบลอยๆวุๆ่นวาบอะไรขึ้นมาเนี่ยนะไม่ใช่แต่เกิดจากการสมาทานเกิดจากการอธิษฐานเกิดจากการตั้งความปรารถนาของพระองค์มาแล้วพระองค์ปรารถนาะแล้วก็ค้นคว้าวิจัย ไข้ ค, ควรอย่างดีเนี่ยนะไข้ ค, ควรแต่ว่าหัวข้อของธรรมะเนี่ยนะในพระพุทธศาสนาก็คือหัวข้อใหญ่ก็คืออริยสัจเนี่ยนะมเมื่อความรู้อริยสัจเป็นเรื่องที่ใหญ่จึงเป็นสิ่งที่เราต้องสมาทานจริงๆสมาทานเพื่อให้รู้ให้เห็นอริยสัจเนี่ยนะถึงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะสมาทานเพื่อให้มีศรัทธานในคําสอนว่าผู้ที่มีความรู้อริยสัจจริงพ้นทุกข์ได้ให้มีศรัทธาแบบนี้ก่อน เพราะผู้ที่รู้อริยสัจชื่อว่าพุทธะใช่ไหมพุทธะแปลว่ารู้อริยสัจเนี่ยนะรู้อริยสัจถ้าผู้ที่เลื่อมใสเชื่อแบบนี้เรียกว่าผู้มีศรัทธาผู้ที่รู้เห็นตามนี้จริงๆเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้ที่เชื่อใช้เฉยเรียกว่าผู้มีศรัทธาทวนอีกครั้งหนึ่งนะผู้ที่เชื่อว่ามีนะคนที่เขาเห็นอริยสัจแบบนี้จริงศรัทธาในในผู้ที่แต่สรู้อริยสัจตามนี้เรียกว่า มีศรัทธามีสตินซแต่ผู้ที่สามารถพิจารณาเห็นว่านี้ทุกเป็นต้นได้อย่างจริงๆเลยอันนั้นก็เป็นผู้มีเป็นผู้มีปัญญานะนะท่านปัญญาที่เกิดรู้เห็นอริยสัจอย่างนี้เรียกว่าตรงนี้สุตตะมยะปัญญาสุตตะมยะปัญญานี้ท่านบอกว่าเป็นโนนอะอนาญยาตัญยสมีตินรีสุตตมยะปัญญาที่บริบูรณ์นี่ระดับโสดาปฏิมักนนะโสดาปฏิมักถ้ามีผู้ท่านคําถามว่า สุตะปัญญ า, าปัญญาเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือฟังแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยหรือก็ตั้งคำถามว่าในพระพุทธศาสนาบรรลุเพราะการแอบแอไปปฏิบัติหลีกเร้นกับฟังบรรลุไหนมากกว่ากันเคยไปหลีกเร้ น, นบรรลุ18โกดรพร้อมกันมีไหมไม่มีนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจา ก, กประวัฒนสูตรบรรลุ18โกดแสดงอธิตะปริ ย, ยสูตรบรรลุ พันหนแสดงอนัตตลักษณะสูตรบรรลุห น, นะแสดงอนุปุพีคาถาเนี่ยบรรลุทีแล้วเป็นหมื่นนะบรรลุทีและเป็นหมื่นแสดงมงค ล, ลสูตรเนี่ยนะบรรลุหาประมาณไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วผู้ที่ฟังเขารู้ตามเห็นตามเนี่ยนะบรรลุมีมากที่สุดในพระพุทธศาสนานี้เพราะอะไรเพราะเป็นการฟังแล้วรู้ตามเห็นตามแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อตามเฉยเฉยแบบ แบบอะไรนะไม่ใช่เชื่อตามแบบงมงายไม่ใช่แต่หมายเขาว่าเห็นตามที่เขาพูดเลยเออพูดเน่เอาความจริงมาพูดเมื่อเอาความจริงมาพูดเรียกว่าเทศนาก็เลยเห็นตามนั้น น, ะนี่ในหัวข้อต่อไปว่าใส่กิจเลยนะเมื่อกี้กล่าวจากราวณ์นี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธาคามมีปฏิปทากิจของทุกคือกิจของทุกคือ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 สมุทัยสัจจานั้นควรละนิโรสัจจานั้นควรทำให้แจ้งประจักษ์นะนะมัคสัจจะเนี่ย น, นะข้อปฏิบัติที่ถึงให้อ่ข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงพระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกนั้นควรเจริญเนี่ยนะอันนี้เป็นอะไรปัญญาเป็นจินตามยะปัญญาบอกว่าเทสนานี้เป็นภาวนาบัญญัติคือคนที่เจริญภาวนานั่นแหละ จึงสามารถทํากิจในอริยศาสตร์ได้เต็มที่ถ้าไมอ่อย่างคนที่ฟังอริยศาสตร์แล้วเห็นอริยศาสตร์ตามเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอนัญจตัญญสามีตินรีเป็นสุตมยปัญญาคนที่เอาอริยศาสตร์เหล่านี้มาไข่ครวนมาค้นคิดมาพิจารณามากๆอันนี้แหละเป็นนิเค ป, ปะบัญญัติแห่งจินตามยปัญญา คือคนที่มีจินตามยาปัญญาเอาความจริงเหล่านี้มาคิดมาใคร่ควรวญมาอันนั้นนะเป็นจิตใจจริงๆนะเป็นจิตวิญญาณจริงๆเป็นจิตวิญญาณที่เกิดเป็นไปกับการใคร่ควรวญในอริยสัจเนี่ยนะใคร่ควรวญทุกข์ด้วยปริญญาสามใคร่ควรวญสมุทัยด้วยการละใคร่ควรวญนิโรธด้วยการทําให้แจ้งใคร่ควรวญอริยมรดคด้วยการเจริญเนี่ยนะอันนี้เป็นการทําให้แจ้ง สัจคิริยาบัญญัติคือการทาให้แจ้งอัญญีส si ีแก้หนังสือนิดนึงเป็นอัญญีส si ีนะไม่ใช่ปัญญีร si ีอ่นนะอัญญียีนี่แปลว่าการรู้เห็นอริยสัจ ต, ตามที่เคยรู้ตามที่เคยเห็นมาแล้วอนะอริยสัจนี่เคยเห็นมาแล้วตั้งแต่ไหนตั้งแต่โสดาปฏิมักโสดาปฏิมักนี่เห็นอริยสัจอ์นะเป็นการเห็นอริยสัจที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย พออันยินีเนี่ยนะคือโสดาปฏิพลสกัฏาคามีมักสกัฏาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลและอรหัตตมักนั้นเป็นการรู้อริยสัจตามที่เคยรู้ตามที่เคยเห็นมาก่อนแล้วอันนี้จึงเป็นอันยินรีอัญญีนีอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระมีสาใช่ไหมอนัญญาอนัญญาตัญยสมีตินรียอันยิญรียและอัญญาตาวินรีย จินตามยะปัญญาเนี่ยเป็นอันยินะนีเป็นการรู้อริยสัจ ต, ตามที่เคยรู้ตามที่เคยเห็นมาแล้วแต่ว่าเป็นการเห็นที่ลึกซึ้งกว้างขวางยิ่ ง, งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายปัญญาจักสุเกิดขึ้นแล้วยานความรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาที่แทงตลอดเกิดขึ้นแล้ววิชาความรู้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าทุกขสัจจะนั้นอันเรากำหนดรู้แล้ว ท, ทุกขสมุทัยาสัจจะนั้นอันเราละได้แล้วทุกขานิโรธสัจจานั้นอันเราทำให้แจ้งแล้วมรรคสัจจันเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงพระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกอันเราจเจริญแล้วอันนี้แหละเป็นภาวนาบัญญัตินะเป็นภาวนาบัญญัติแห่งมรรคสัจจะเป็นนิเปะบัญญัติ แห่งภาวนามยะปัญญาพรรผู้ที่เจริญภาวนาเสร็จแล้วเนี่ยนะจะบรรลุอะไรบรรลุอัญญาตาวินสีอัญญาตาวินสีนี้เป็นชื่อของอรหั ต, ตผลเป็นชื่อของอรหั ต, ตผลอันนี้เป็นสัจคิริยาบัญญัติเป็นบัญญัติที่เกิดจากการทาให้แจ้งซึ่งอรหั ต, ตผลแล้วก็เป็นประวัตปวตนาบัญญัติคือบัญญัติที่เป็นไปแห่งธรรมจักนะนะ อันนี้เป็นการประกาศถึงความที่พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วก็พระพุทธเจ้าก็เอาคำสอนเหล่านี้มามาแสดงผู้ที่ทากิจในอริยสัจครบถ้วนดังที่กล่าวไปว่าคือคนที่กำหนดรู้แล้วละแล้วทำให้แจ้งแล้วเจริญเสร็จแล้วเนี่ยคนคเรียกว่าคนที่ทำกิจเสร็จแล้วเนี่ยนะเรียกว่าทำกิจใน อริยสัจสี่เสร็จแล้วกิดในอริยสัจสี่เนี่ยนะกิจของหนึ่งนะกิดของทุกกิจของสมุ ท, ทยัยกิจของนิโรธกิจของมร